คนเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต้องไปทําให้มันยุ่งยากนี่โลกมันยุ่งยากเพราะอะไรอ่ะคนตายแล้วโอ้ต้องทําให้ดีที่สุดทําเป็นครั้งสุดท้ายอะไรทําอะไรนอนนะอยู่ในโรงนะจะไปทําอะไรมันดีที่สุดเอาดอกไม้เอาประดับตกแตง่งสวยงามเอาเครื่องมห่อรศบครบงานเดนตรีเอาบรรเลงเข้าไป ตายก็คือตายสากศยไปบำรุงอะไรคนตายแล้วก็แค่เปนบุญบกบฏติดตัวไปแล้วเนี่ยมันเข้าใจแล้วมันง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปทำาหมันยุ่งยากที่โลกมันยุ่งยากก็าอะไรเนี่ยความหลงทำตามความหลงความคิดความเห็นที่มันไม่มีแก่นสารสาระอะไรที่หลงแล้วก็ทำไป ถ้าเข้าใจ เ, าเขาไปเกิดแล้วจิตของเขาเอาเวลาตายมันต้องไปหาพบก็รู้แล้วว่ามันมันเป็นกระแสในเรื่องความตายถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรทุกเรื่องถ้าเข้าใจแล้วมันง่ายการดาเนินชีวิตเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วลุงรังไปเนี่ยความคิดความเห็นความหลงมันสุดยอดเ ม, มื่อคืนนี้ได้พูดเรื่องอริยมรรคนองค ทีแรกก็เป็นการปฏริบัติเป็นทางเป็นทางดําเนินไปซะก่อนปฏิบัติไปตั้งแต่ขั้นตน้ตนจนกระทังมรรคแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยเจริญขึ้นเจริญขึ้นสติเจริญขึ้ น, ส, นสมาธิเจริญขึ้นปัญญาเจริญขึ้นศีลมีความมั่นคงขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างประมวลเข้ามาหายมรรคมีองค์แปดมีกําลังบริบูรณ์สมบูรณ์ะที่แรกเอาะถ้าเปรียบเทียบก็ นักกีฬาแต่ละคนแต่ละคนอาทีนฟุตบอลแต่ละคนก็นซ้อมหัดวิ่งหัดพื้นฐานหัดเดาะลูกหัดส่งลูกหัดยิงประตูเวลาวิ่งก็ต้องมีการซิกแซกหลบหลีกแค่ข้ของว่องไวขึ้นเรื่อยแต่ละคนแต่ละคนเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นคัดตัวคนไหนเก่ง แล้วที่มารวมทีมที่นี่สู้กับฝ่ายตรงกันข้ามเลยชนะฝ่ายตรงกันข้ามได้ตอนแรกนี่ก็เป็นทางดำเนินเป็นการปฏิบัติปฏิบัติไปแต่และมรรคแต่และองค์ก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นการเห็นการเห็นนี่เป็นสมาธิเทอยนเห็นเห็นได้จิต รู้สึกด้วยจิตว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรากายกับใจนี่แหละแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เกี่ยวกับกายกับใจกายเวทนากายก็แยกกเป็นเวทนาทางกายกายเวทนาจิตก็มีเวทนาจิตจิตเวทนาทางจิตแล้วก็ธรรมธรรมารมณ์ทั้งหลายรวมทั้งสภาวธรรมด้วยเห็นพรไตรัก กายเวทนาจิตธรรมก็หมุนอยู่ในสติปัฏฐานสี่หรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้พูดในรูปของขันธ์ห้าเพราะอะไรเพราะาอุปทานในขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกการที่จะดับทุกขก็ต้องมาละอุปทานในขันธ์ทั้งห้าก็ต้องมามีปัญญาเข้าใจเรื่องของขันธ์ห้า เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัตินี้ต้องมีเป้าหมายจิตต้องตั้งมัน่นแล้วให้รู้ความจริงนีหละทีนี้เวลามักมันรวมตัวกันแล้วมักมันสมบูรณ์แล้วพอมันสมบูรณ์รวมตัวกันเนี่มันจะรู้แจ้งความจริงแลรู้แจ้งความจริงเนี่ย เขาเรียกว่ารวมตัวก like right ันแล้วมันรู้เรื่องอะไรคือรู้ความจริงความจริงสูงสุดคืออะไรความจริงสูงสุดเนี่ยเขาเรียกว่าอริยสัจสอริยสัจสอริยคือพระอริยเจ้าหรือว่าผู้ที่กายจักกีเลสสัจจะคือความจริงเพราะนั้นต้องรู้ความจริงอันประเสริฐอริยแปลว่าเสรประเสริฐก็ได้กลยจากกิเลสก็ได้ พาเลียเจ้าก็ได้รู้ความจริงของพาเรียเจ้ารู้ความจริงอันประเสริฐรู้ความจริงทําให้ไกลจากกิเลสแต่มันเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตัดสลุแล้วปฏิญาณตนด้วยว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้รู้ในอริยสัจสีเราจะไม่ปฏิญาณตนว่าตัดสลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเราแตถฐานะเพรา ะ, ะนั้นทอริยสัจสีนี้ผู้ปฏิบัติ ทุกคนถ้าหากว่าบรรลุเป็นพระเดียจาต้องผ่านอริยสัจสี 4. ชีวิตของเราเวียนว่ายตายเกิดถ้าหากว่าสามารถบรรลุอริยสัจสีครบสี่ครั้งสโสดาภิติทาคาภ า, า, านาคาพราหันจะสมบูรณ์เพราะเริมีได้สี่ครั้งเท่านั้นการที่เราไม่รู้ความจริงไม่รู้อริยสัจสี 4, นี่ที่เราหลงเราเวียนว่ า, ายตายเกิดคว้านู่นคว้านี่มาทำให้ดุงรังอยู่ในจิตเราเนี่ยอย่างเปรียบเทียบได้อย่างความตายอย่างเงี้ยที่จริงเรถ้ารู้เข้าใจแล้วก็เออมันเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ไอ้ร่างกายนี่ยมันเป็นแค่ซากพศพเฉยๆจิตเนี่ยมันไม่ได้ตายถ้ามันยังไม่ยังไม่พ้นทุกข์มันก็ต้องไปเกิดในเมื่อจิตมันไปเกิดแล้วเราควรทายังไงเนี่ย เขาสอนแหละที่นี่ไม่ร้องไห้ลําพึงลําพันถึงผู้ตายเพราะการร้องไห้ลําพึงถึงลําพันถึงผู้ตายไม่ทํำไ้ผู้ตายฟื้นขึ้นมาให้ทําบุญทำบุญก็ต้องมีมนพระมาหรือว่าเอาผู้ที่มีบุญพอที่จะอุทิศบุญให้เขาไปได้แล้วอุที่บุญให้เขาเนี่ยพระเจ้า ก, ก็บอกหลักเอาไว้ที่อุทิศบุญเขาก็มันก็ไม่ใช่วรับได้ทั้งหมดพวกที่เป็นผีเป็นเปรตพวกนั้นน่ะ ทำบุญเองไม่ได้แล้วหาอาหารเองไม่ได้แล้วต้องกินบุญเท่านั้นเพราะฉนั้นทุกครั้งที่ญาติพี่น้องไปทําบุญที่ไหนเขาก็จะแอบคอยจดคอยจ้องคอยมองคอยสุ่มอยู่แต่คนญาติก็มองไม่เห็นบางทีบางบางจิต บ, บางตัวมันก็รู้วิธีอนุโมทนามันก็รับบุญได้บางตัวก็รู้แต่ว่าอยากได้อยากได้สิ่งที่ทําให้เขาสุขสบายเพราะก็กำลังทุกข์แต่ไม่รู้วิธี ถ้าเจ้าของท่าว่าญาติอุทิศบุญให้เขาได้รับเขาก็จะรู้สึกได้ทุกอย่างเข า, าอาหารเครื่องใช้ไม้ซ้อยเสื้อผ้าแพรผ่านมันเป็นสมบัติของเขาดูที่กรรมของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้อันนี้อาศัยอะไรอาศัยปัญญาญาของพุทธเจ้าสัพพัญยุตายานสัพพัญยุตายานรู้ความจริงทั้งหมดท่านก็ประทานเอาไว้บอกเอาไว้ ถึงเรามองไม่เห็นเราก็เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าได้ยิ่งถ้าหาว่าเรารับรู้เราสัมผัสได้มันก็เป็นสิ่งยืนยันได้แน่นอนว่าโอ้พรเจ้านี้ตัดจริงโอาพวกเหล่านี้มีอยู่จริงหรือพวกเทวดาพวกนี้เขาก็ต้องการพลังต้องการกำลังเหมือนกัน ก็อาศัยบุญหรือเทเทวดาบางจำพวกพวกนี้ก็อาจจะบุญน้อยหน่อยอยู่ใกล้ๆมนุษย์พวกอยู่ตามลุคเทวดาอยู่ตามแผ่นตินก้อนหินอากาศรอบๆตัวเหล่านี้มีหน้าที่มาดูแลมนุษย์รักษามนุษย์มนุษย์ก็ต้องมาหนุนทิพย์บุญให้เขา เราก็รู้แล้วก็เกี่ยวข้องถูกต้องก็อพอแล้วแม้แต่พระยินก็ยังอยากได้บุญ อ, อย่างนี้ในพระใต้ดดกพระภาษารีบุตรเข้ามิโรดสมาบัติมิโลดสมาบัตินนเนี่ยก็คือว่าเข้าไปอยู่ในสัญญาเวทาิตานิโรธเจ็ดวันบากกันว่ามีอันทรงมากเพราะท่านไม่ได้ฉันพระหารอะไรเลย เอไ้จิตมันก็ละเอียดคล้ยๆดับมันดับจิตเอาไว้พักอยู่สัญญาเวทีมีแต่มีโรคดับทั้งเวทนาดับสัญญาก็เหมือนไม่มีจิตนั่นแหละพ็ อ, ะ อ, ะออกมาแล้วแบบทีนี้แบบใครถ้าใครทำบุญด้วยก็จะ ม, มีมีผลมากมีอานิสง์มากก็ต่องใจจะไปโฟน คนแก่ๆยายแก่สามีบัญญาคู่นึงอยากจนมากสงสารอุ้มบาดไปเลยเดินไปก็มุ่งตรงไ ป, ไปที่กระท่อมของยายสองคนนี้ละตายายพ่อพอินก็รู้ละวพราะพระสารีบุตรนี้ออกจากมีโลตสมาบิเห็นแล้วก็เลยแปลงกายเนลมิตรรู้รู้รู้ว่า ภาษาลีบุตรมีจะไปโปรดตาตายายก็แปลงเป็นตาใหญ่อ่านี่แล้วนี่กระท่อมอ่าดูซิเป็นตาใหญงงเงืออ่อนเงื่อนเอาไว้อ่ะเอาภาษาลีบุตรป็เห็นนะพี่เห็นก็นึกว่าไม่ได้พีจนาอะไรไงนึกว่าเป็นตาใหญจริงๆใส่บาตรเสร็จแล้วกินหอม่ดูีิที่นี่ทันพิจนาปับ๊บเอากลิ่นนี้ไม่ได้กลิ่นข้าวของ ไ อ, ไอ้ชาวบ้านในโลกตามปกติมันกินอาหารทิพย์ก็ขาดกระพี่นาปั๊บเอาทำไมท่านมาขโมยบุญของคนอื่นเขาทำามมาขโมยบุญของคนยากคนจนผมข้าพเจ้าก็ยากจนยากจนยังไงผมมันมีเทวดาอยู่องค์หนึ่งเขาเคยเนี่ยแหลจะทำบุญอะไรนี่ละแล้วรัศมีเขาสวยงาม ดูว่าเขาปฏิบัติทมก็ไม่รู้ละรัศมีเขาช่วยงามมากมทีพระ อ, อินทร์รัศมีเศร้าหมองกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแต่ว่ารัศมีเนี่ยมันมันมัน ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันไม่สดใสเท่าอันนี้ดูสี่แค่นี้ก็ว่าอยากจนแล้วก็เลยอยากจะได้บุญเนี่ยมาทำให้รัศมีเนี่ยบริบูรณ์สมบูรณ แล้วก็กลับลาไปไม่เห็นนยเนี่ยแม่แต่นนเท ว, วดาก็อยากได้บุญเราก็ทำหน้าที่เราถูกต้องเสียทีนี้ถ้ารู้ในะยสัสสสิก็คือรู้ว่ากายกัดใจเนี่ยมันมันมันมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของเราชั่วข่าวเอาก็เราพูดถึงความตายมันชัดเจนเลยทุกคนก็รู้แล้วก็ต้องตายแ น, น่แน่ เวลาตายไปแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นเท้าเป็นฐานไปเป็นภาพดินไปมีอะไรเป็ของเราไปเห็นว่าอริยสัจสี่ก็เป็นเห็นที่อะไรผ่านมาเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่ามันอยู่ของมันไม่นเปของเราไม่อยู่ตัวตนของเราอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้มีอะไรในอริยสัจสก็คือเห็นทุกข์ มี่คือทุกข์เห็นในจิตนี่แหละมี่คือทุกข์เป็นยังไงก็คือเห็นว่าขันห้าันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเพราะเรามีอุปทานในขันห้ามมันจึงเป็นทุกข์เมื่อเราเห็นว่ามันแค่มันอยู่ข้างนอกไม่ใช่จิตไม่ใช่เรามอยู่ข้งมันอย่างนั้น อย่างนี้อ่มันเข้าใจตรงนี้นีมันก็จะค่อยวางไ อ, ไอ้ที่เอามาอธิบายได้อย่างนี้ต้องศึกษาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านเอามาสอนเอาไว้คนอยู่เนี่ยรู้อริยสัจสีเหมือนกันแต่ไม่สามารถเอามาอธิบายได้อันนี้มันเป็นเขาเรียวกว่าเป็นสัจจะหรือความจริงของพระพุทธเจ้าโดยตรง ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เอามาสอนสอนแล้วปฏิบตัติตามบรรลุตามแปลพูดไม่ได้ต้องได้มาศึกษาศึกษาแล้วก็รู้เข้าใจละทีนี้มีสภาวะรองรับแล้วก็เข้าใจง่ายถ้าไม่มีสภาวะรองรับก็เข้าใจายากหน่อยอย่างเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตมันไม่อยู่อยู่แล้วกําลังไม่พออย่างเงี้ยพูดว่าเออมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างเงี้ยมันไม่เห็นอนะ มันไม่เห็นมันก็ฟังแล้วมันก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่ถ้าหาว่าเราเนี่ยจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสติมันดีแล้วมองดูแลอาศัยจิตเนี่ยมันมองดูแลคราวนี้ก็เหมือนไม่ใช่ของเราจริงอ่ะมันอยู่ของมันเนี่ยนี่อย่างนี้อย่างนี้ชัดเจนมันก็เห็นทีวันนี้คือทุกเป็นสภาวะทุกถาหาว่าเป็นทุกขเวทนาทางกายยิ่งชัด มันเจ็บมันปวดมันดีบมันคันอยู่เห็นชัดๆเลยเห็นชัดเลยนี้คือทุกข์เลยทุกข์ก็อยู่ของมันนะแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็มันก็ชัดเจนน่ะเพราะฉะนั้นคนที่คนที่กําลังติดดีดีเวทนามาเนี่ยตัดสินใจลงไปเลยมันไม่ใช่ของเราแน่นอนมันอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเนี่ยถ้าจิตใจมันมันทําได้จริงปล่อยวางจริงก็เห็นทุกข์ชัดเจน แต่กำลังมันพอนี่มันก็นีหละมันก็จับสินลงไปแต่ทิ้งลงไปก็คือบรรลุอริยสัจสี่หมายก็ว่าเห็นทุกข์ชัดเจนเห็นทุกข์ว่าไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาวะทุกข์คือมันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจากนั้นเหแห่งทุกข์ก็ไปตั้งอยู่ไม่ได้จะมีตัณหาไม่ได้ไม่รู้ตัณหาจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีตัวเราแล้วตัณหาก็ดับมีโลกก็ดับ เราทุกข์ดับไปจากจิตไม่มีทุกข์ในจิตการปฏิบัตินี่แหละคือเจริญอริยมรรคเป็นปฏิปทาเพื่อออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์แปดถ้ามันสมบูรณ์เมื่อไหร่มันก็ประหารกิเลสหรือเรียก ว, ว, ว่าบรรลุอริยสัจสี รู้ในธรรมสีข่ข้อนี้คือรู้ว่านี้คือทุกนี้คือทุกร่างกายที่มันนั่งอยู่นี่แหละอันนี้ก็กองทุกกองหนึ่งอย๋าวที่ได้ถามไทยกันไปหาหมอเป็นยังไงนี่ก็คือมันทุกมันทุกมันดีบมันคั้นต้องไปหาหมอคนที่เขาศึกษาเรียนรู้เรื่องสรีระเรื่องร่างกายเรื่องทารเรื่องขัน เพื่อให้เขาเยียวยารักษาพอให้มันอยู่ได้เพราะมันเป็นทุกข์นเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีโรคภัยไ ข, ไข้เจ็บสารพัดอยู่ดีๆก็ไอจ า, ามเป็นหวัดเมื่อยห่วงซึมหิวเดี๋ยวอาบน้ำเดี๋ยวเข้าห้องน้ำห้องส้วน เดี๋ยวเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันมีทุกมีก็เป็นทุกส่วนหนึ่งของทุกทุกทั้งกายทุกทั้งใจเศร้าโศกเสียใจมันเก็ไม่ถูกใ จ, มใจก ไ, ไ, มไม่ได้ใจอยากให้ดีก็ลัวมันไม่ดีเป็นทุก คนอื่นว่าไม่ดีก็ทุกข์มันนี้แต่จะเอามาให้ตัวเองเป็นทุกข์หมดนะคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอกลัวมันไม่จะไม่เป็นอย่างที่เราคาดเราหวังเอาทุกข์อีกแล้วหรือเวลามันไม่ไม่เป็นอย่างที่เราหวังจริงีก็ทุกข์อีกแล้วแต่ถ้ามันแจ้งชัดในอริยสัจสี่ครั้งที่หนึ่ง ตบบรรลุพุทโสดาบันอันนี้เรียกว่าความเห็นผิดดับไปแล้วคือละสกักกายที่ผิดได้ไม่หลงผิดว่าขันห้าเป็นของเราแต่ต้องเข้าไปเห็นในเวลามักมันมีกาลังแล้วถ้าธรรมดาไม่เห็นแต่ว่าความเข้าใจที่มันผ่านมาเนี้ยที่มันเห็นชัดเนี่ย มันคอยเป็นปัญญาคอยคอยบอกเราโดยอัตโนมัติเพือไม่ใช่ของเรามันก็เลยเบาสิไม่ใช่ของเรามันเคยเห็นแล้วจิตกําลังมันพอแล้วมันก็มันตัดชิ้นไปแล้วกําลังมันก็ไม่ถอยลงมามันก็อยู่ในส่วนที่มันมันพัฒนามาตรฐานของจิตขึ้นไปแล้ว มาตรฐานของจิตชนิดที่ข้ามพ้นความเห็นผิดไปไม่เห็นผิดไอสิ่งที่ไม่ควรเป็นทุกข์มันก็ไม่เอามาเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่หลงผิดเพราะส่วนใหญ่ที่มันหลงมันผิดมีความเห็นผิดผิดหลงผิดผิดยึดผิดผิดมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะนั้นพระโสดาบันนี่มันเห็นความจริงบ้างแล้วทุกข์ก็เบาบางน้อยลงไปแล้ว ตัวธรรมะนี่มันรักษาจิตได้ระดับหนึ่งเหตแห่งทุกข์มันก็เป็นนี่แหละปัญหานี่แหละความอยากความอยากมันก็มีสามอย่างกรรมตนาความอยากในลูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้เขาเรียกว่า การมัทนามันทาให้ย้อมใจเราให้เกิดความกำหนักยินดีพเพลิดเพลินใจก็ไปยึดไปติดไปข้องนัวเนียอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอุปสรรคพราะจิตเราไปติดไปยึดแล้วไปยึดสิ่งเหล่านี้พะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดังใจเรามันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมทุกข์ที่ใจอย่างเนี้ย บอกความหลงไปยึดแต่ถ้าหาว่ามีปัญญามันก็เอาได้มีได้แต่มันไม่เป็นทุกข์หรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยน้อยๆคือมันไม่ยึดมากสมควรมีประโยชน์สมควรใช้กระใช้ชไปมันไม่ยึดไม่ติดอะไะเรียกว่ามีปัญญาละ กามตนะภาวะตนะภาวะตหานี่มันเป็นเปนเป็็นนเเรื่องจิดนภพภพบในที่นี้คือมันเป็นธรรมของอพระอนาคามีแล้วมันไปยึดลูลปรภพอารูภพพวกหนึ่งก็ติดใ น, ในเนี่ยกวกรรมภาวะตหากรรมกามตหานี่ยึดติดในกามเนี่ยพวกนี้ทําให้เวียนว่ายตายเกิดในกามภพ กรมโลกพวกกรมภพนี่ก็คือมนุษย์ข้าพโคเทวดาแล้วก็อบายภูมิกรมภพรูปภพอรูปภพมันมีสามภพกรมภพหมายถึงอบายภูมิมนุษย์แล้วก็เทวดาส่วนรูปภพหมายถึงรูปภพอารูปภพอารูปภพ เวลาปฏิบัติธรรมถ้าบรรลุอริยสัจสีครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นมัสโซดาบาัตแต่ถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเทียบเทียงพูดไม่ได้เนี่จะพูดยังไงเอาเอามาอธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันจะพูดได้เฉพาะสภาวธรรมมันเป็นอย่างนี้คิดเห็นอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้เนี่ย อธิบายไม่ค่อยจะถูกเนี่ยจะพูดอย่างนี้แต่มาอธิบายเป็นเนื้อหาแบบที่กำลังพูดอยูน่นี้ไม่ได้อันนี้ต้องไปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าซะก่อนรู้เข้าใจแล้วมีเรามีสภาวะรองรับอยู่แล้วก็ไปศึกษาเข้าใจแล้วก็คราวนี้เอออันนี้มันคืออะไรอันนี้คืออะไรแล้วเวลาจะพูดพูดยังไงเนี่ยมันจะเอามาพูดได้ สมัยที่ปฏิวัติมาอยู่นี่ใหม่ๆอ่ะหลังจากที่จะตัดสินใจว่าจะสอนแล้วงงๆเหมือนกันอ๊ะเราจะสอนอยังไงกอเห็นแต่ในจิตของตัวเองพูดก็ได้แคบๆนี่นี่คือสาวกสาวกคนอื่นก็เหมือนกันมีปัญญามากกว่าขนาดไหนก็ ต้องได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะเอามาอธิบายสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นได้คนอริยสติเนี่ยก็ถ้ า, ถ, าถ้าพูดในในแง่ของการปฏิบัติมันง่ายว่าเออสติมีแล้วควบคุมจิตได้แล้วจิตมันมีกำลังมันถึงว่าความรู้สึกภายในจิตรับรู้รับรู้ กายมันนั่งอยู่ก็รู้แล้วเนี่ยร่างกายจิตก็เป็นผู้ดูไปผู้รู้ผู้เห็นทีนี้ถ้าหากว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยหรืมันเห็นความเกิดดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นไม่ใช่ของเราเห็นมันอยู่ของมันเห็นมันมันเป็นของมันอย่างธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองนี่เห็นอย่างนี้เห็นในจิตมันไม่ได้บอกหรอกว่านี่เกิดดับนี่ไม่ใช่ของเรา นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีมันแค่ดูเย้ยๆบางทีก็มีบ้างเคยได้ยินได้ฟังมาก็เออน้อมเข้ามาวันนี้ไม่ใช่ของเรานี่เห็นไหมมันทนได้ยากมันเป็นทุกข์นี่มันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงมีอนัตตามันอยู่ของมันไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ของเราในตังมามะ นั่นไม่ใช่เราเนโ่ฮามัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณเนโซอาตาติก็คือเห็นในความรู้สึกนี่แหละวันไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันอยู่ของมันแต่ที่นี้เวลาอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นสมาธิเ ห, เ, หเห็นเห็นเห็นไปก่อนมีปัญญาเห็นแยกแยะ ชัดแจ้งขึ้นมาแล้วเห็นความจริงแต่เวลาเวลามักมันสมบูรณ์ขึ้นมาปับ๊บเห็นแล้วกำลังการเหตุมีนชัดเจนมากเพราะนเวลาพูดถึงมัสนี่ก็คือตอนที่มันบนรรลุอริยสัจสีอริยมรรเวลามันรวมตัวกันแล้วมันประหารเกลียปับ๊บนี่คือ บรร ล, ลุอริยสัจสละอุปทานในขันธ์งาดาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่สามพอที่สี่ก็ไม่มีทุกข์เกิดในจิตแล้วรู้รู้ว่านี่คือทุกข์ก็คือเห็นว่ากายกับใจนี่แหละ มันไม่มีสาระมันเกิดแล้วก็ดับมันเปลี่ยนแปลงของมันอาจจะไม่มีคําพูดแต่จิตเห็นอยู่เห็นไปบ่อยๆเห็นประจำประจำมากเข้ามากเข้ามากเข้าจนมันแก่กล้าจริงๆแล้วบรรลุอริยสัจสี่นี้คือทุกนี้คือเหตุแห่งทุกเข้ามาไม่ได้แล้วนี่คือความดับทุก ไม่มีทุกข์ในใจเห็นทางดำเนินไปเพื่อออกจากทุกข์คือการปฏิบัติของตัวเองปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. เพราะนั้นเวลามันมีไม่ว่ามันจะเป็นสภาวะทุกข์ mm. มันมีโรคประจำตัวเจ็บไข้ได้ถ่วยหรือว่านั่งอยู่แล้วก็จิดของเราก็เห็นว่ามันอยู่ของมัน เห็นว่ามันเป็นมันไม่ใช่ของเราเป็นของชี่มันเหมือนว่างเปล่าจากตัวตนอ่ะจากว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นของเราอ่ะนคือมันทำลายอุปทานได้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันอยู่ของมันหรือมันดีบคั้นดีบคั้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทุกขเวทนาดีบเห็นเลยจริงอ่าเห็นก็เห็นทุกเหมือนกัน ก็คือว่ารู้ว่ามันต้องเกิดแล้วต้องดับแต่ต้องอดทนสักหน่อยมีนุ่มก็ได้ได้ต่อสู้ว่าโอ้มันได้ทั้งกําลังของจิตใจแล้วก็เห็นจริงด้วยเพราะมันไม่ใช่ของเราจริงอ่ะมันเจ็บมันปวดของมันมันอยู่ที่ร่างกายนี่ก็เห็นธรรมะก็วางอวาง ในบางทีมันก็มาทุกอยู่ที่จิตเวลามันเจ็บปวดมากๆเข้ากําลังเรายังไม่พอปัญญาเรายังเข้าไม่ถึงเนี่ยมันวางไม่เป็นวางไม่ได้พรมไปยึดเราความเจ็บความปวดก็เป็นเราเป็นของเรานเองแต่ทนไปจนกําลังมันถึงมันก็วางเหมือนกันปล่อยเหมือนกันพอเรามาพรอปล่อยได้มันชัดเจนแจ่มแจ้งเด็กขาดเละความเห็นผิดได้ ละสกายติทีได้ละวิจิปชาได้ละศีละพัตปรามาได้มีเลยบรรลุแล้วครั้งที่หนึ่งถ้าใครบรรลุครั้งที่หนึ่งเนี่ยจ ะ, จะมีความไม่หวั่นไหวมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าชนิดที่ไม่หวั่นไหวมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมชนิดไม่หวั่นไหวมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์ชนิดไม่หวั่นไหว แล้วก็มีศีลเป็นที่พอใจของพระเดียจากต้องมีศีลเพื่อเพื่อความเป็นอิสระของจิตใจไม่ใช่ศีลเพื่อกิเลสเพื่อตัณหาเพื่ อ, อประทานอย่างเก่าศีลก็คือเพื่อเอ้นีือค เ, เป็นพื้นฐานของสมาธิและปัญญาหรือว่าเพราะความถูกต้องในจิตของเรามันเห็นนะเวลามันนึก ทีเจตนาอยากจะทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องมันละของมันเลยมันทำไม่ได้มันระวังของมันเองเนี่ยมีดรมมีชิดมีในจิตแล้ว น, นีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วครับเนี่ยคราวนี้ก็หมดทุกแน่นอนเลย หมดทุกขแล้วก็มันก็เหมือนไม่มีอะไรอ่ะนะมันไม่ได้ไดีใจไม่ได้เสียใจเหมือนมันอยู่นิดเฉียแต่ถ้าหาว่าไปเปรียบเทียกบกับเขาโอ้เราสบายแล้วเนี่ยเห็นโลกมันวุ่นวายโอ้เนี่ยโลกก็เป็นอย่างนี้คือมันไม่เอาเก็บมาเป็นทุกข์หรอ แต่ก่อนคาดหวังว่าโอ๊ยบรรลุธรรมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พอเป็นเข้าจริงๆไม่ได้มีอะไรอ่ะเหมือนอยิ้มเฉยๆแต่ก่อนนี่โอ้แต่ลอนไปกราบไหวครูบาอาจารย์องนั้นอง น, น, องนี้ได้ยินมาท่านหลุดพ้นใจมันตื่นเต้นยินดี้ายกราบไหวฟังธรรมบ้างไม่ได้ฟังธรรมไม่ก็ไม่เป็นไร รู้สึกว่าได้กราบได้ไหวแต่ได้ยินคนอื่นเขาพูดถึงองค์นั้นตรงนี้เราไม่ได้กราบไม่ไหวรู้สึกไม่ไม่แล้วอ่ะาตามไปกับเขากราบไหวสุดท้ายก็ต้องมาปฏิบัติของเราเองถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ไปกราบไปไหวอยู่นั้นมีองค์ก็ช่างไม่ได้อะไรขึ้นมาเออได้ไปกราบไหวฟังธรรมก็ได้ขอคิดสุดท้ายก็ต้องมาปฏิบัติถ้าใครรู้ทางแล้วรู้วิธีปฏิบัติแล้ว เพียรพยายามกว่หมดกําลังใจเออไปหากําลังใจ ไ, ได้ถ้ายังรู้สึกว่ามีกําลังใจอยู่วิธีปฏิบัติอะไรก็รู้อยู่ก็แสดงว่าอยู่ที่ความเพียรแล้วเขาต้องพยายามมุ่งมั่นบากบัน่นจนกว่าอินทรีย์แก่กล้าจนจริงๆมันเริ่มเห็นเริ่มเห็นว่า น, นี่มันไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดบบาวไปนี่แหะเห็นแล้วมันเริ่มเพียรแล้วที่นี่ต้องเล่งละให้กําลังมันต่อเนื่อง เพื่อที่จะประหารกิเลสได้ทำไมเล่นก็บถอยไปถอยมาแล้วบางทีเป็นหลงทำอะไรไม่ถูกต้องขึ้นมาเอาอยู่แล้วเรื่องราวกุ้มลุมจิตใจแล้วเสียเวลามาตั้งหลักแต่เราเพียนเพียนเพียนมุ่มุ่งในนี้คือซ้ารวมในจิตเพียนในจิตยาการภายนอกแ่ว่าจะทำนูนทำนี่อะไรไปบ้างไม่เป็นไรอะ แต่เพียนอยู่ในจิตสํารวมอยู่ในจิตระวังอยู่ในจิตมตื่นตัวอยู่ข้งงในมันเห็นมันแจ้งมันชัดมันจะปล่อยวางวันเองช้าหรือเร็วก็อยู่ตรงนี้อ่ะถ้ามันเห็นชัดเจนจนจิตของเราเนี่ยมันไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยเด็ดขาดด้วยมีอันยมักปรากฏขึ้นก็เกิดได้สี่ครังหนึ่งสองสามสี่เป็นพระอรหันต์คำที่สี่อ่ ก็จบไม่มีงานมันก็จะรู้ขึ้นมาแหละเหมือนไม่มีอะไรพาไปเกิดอ่ะแต่ถ้าาว่าเป็นเป็นเป็ น, ป, นปัญญาของพูทธเจ้าก็บอกว่าที่นาชาติเนี่ยชาติสิ้นแล้วมันไม่มีอะไรพาไปเกิดก็คือการเกิดจบแล้วไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วจาตนี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็พูดได้ที่นาชาติ ตั้งกรณียังการงานไม่นก็ไม่มีแล้ววุสิตังสำมติจริอย่างโทมจันยุจบแล้วจบแล้วบริสุทธิ์แล้วสะอาดหมดจดแล้วอสรูรที่สุดแล้ว <Okay. S 1> นาปรังอิทายาติจิต อ, อื่นที่ต้องทำเพื่อให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องทำอีกแล้ว นี้คอว่าจบงานน่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทอําอีกแล้วจะไปขยันเดินจงกรมนั่งภาวนาะไม่มีความจําเป็นอะไรก็ทําถ่าว่ามันมันทําเพื่อเป็นเครื่องอยู่เพื่อมันสบายเมเข้าสมาธิแล้วมันละเอียดมันสนิทกําลังจิตมันก็ดีตื่นตัวก็ทําได้เต่ทาเพื่อเอามาละกิเลสล้างกิเลสมันหมดความจําเป็น มีที่พระพุตธเจ้าตัดกระแสบอกขององค์ดูก่อนพิสูุนทั้งหลายการที่เราและเธอเราเนีน่ยเราหมายถึงพระองค์เราตถาคตการที่เราและเธอเนี่การที่เราตถาคตกับเธอกับเราและพวกเธอทั้งหลายต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารในฉังสารวัตรนี้ยืดยาวนานนับพบนับชาติในคว น, นก็เพราะไม่ รู้ในอาาริยสัจีเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ในอาาริยสัจสีนี่แหละมันตัดภพตัดชาติได้ไม่กลับมาเกิดอีกได้นี่มันเป็นทางออกรู้ในอาาริยสัจสีก็รู้แล้วรู้ว่านี้คือทุกข์ทุกข์ก็คืออุปาทานในคาทั้งหาเป็นตัวทุกข์ก็ต้องไปเห็นสิเพื่อให้จิตเราไม่มีอุปทาน ชี้ง่วงกันอยู่ด้ยอทไมอยากจะพูดแล้วเนี่ยพยายามสติดีๆนะไม่ตืนไว้ไม่ตีนไม่เห็นมันจะสัตสี่อ้าเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะหยุดลตั้งสติขึ้นมา คิดเราอยู่ยังไงให้มันรู้มันดูอะไรอยู่มันเป็นยังไง ร, รู้ไหมรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงคิดเราอะถ้ามันหลับหลับอยู่แนะ้วมันโดนอะไรครอบงำนั่นนะมันไม่สามารถถอยออกมาดูได้ตัวสติมันจะจมอยู่กับไอ้ไอ้สิ่งที่มันครอบงำอ่ะมันต้องขอยออกมาถอยอามายจ้องดูดูดูมันมาอย่างไง มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอมันถอยออกมาดูได้มันก็ไม่ได้จมอยู่กับไอสิ่งที่มันมาครอบงำแต่สำหรับคนที่ถูกคนครอบงำอ่ะเม้าหายไปหายใปแล้วก็ให้ตื่นตัวมาหน่อยนึงหมดกําลังของมันตัวครอบงำอ่ะมันก็ผ่อนลงเพผ่อนลงแล้วก็รู้สึกตัวมาหน่อยนึงดูว่าครอบอีกดหัวลงไป ตัวเงยขย้นมาหน่อยหนึ่งก็อยู่อย่างนี้แหละมันก็ไม่เก่าหนามันก็อยู่แค่นั้นได้ธรรมะมาขนาดไหนมันก็ข่มอยู่แค่นั้นไม่สามารถก้าวต่อไปได้อยู่กับที่จนตอนนั้นมันตื่นตรงนีเห็นแจ้งยังชัด ติดตัวนะสอนตัวเองนะสอนตัวเองดูตัวเองมีอะไรเป็นของเราบ้างช้าจิตเนี่ยมันออกไปรับรู้ออกไปดูออกไปสังเกตแล้วรู้สึกยังไงมันเกิดขึ้นกับจิตของเรารู้วออรร่างกายอยู่ของมันเวทนาเนี่ยมันเจ็บปวดก็จริงเหมือนเหมือนจิตใจมันทํางานแต่ว่าเป็นทํางานเพื่อที่จะออกจากทุกข์ คิดให้ปล่อยให้วางก็ต้องอดทนมันเห็นแล้วมันก็วางเฉยได้วางเฉยแล้วมันเจ็บแรงขึ้นมามันก็ไปอีกมันก็ไปเข้าออกเข้าออกถึงที่สุดมันก็วางสนิทวทนาก็มีผลต่อจิตติดต่อไปวิทนามาปั๊บมันก็แค่รู้แล้วก็ผ่านสมองจิตทีนี้จิตก็จะมีกํำลังจิตคราวนี้จิตมันจะเด่นเหกับ มีแต่จิตล้วนๆแต่ว่าในจิตนี่มันจะมีอาการอาการของจิตการเผลออาการคิดปรุงทั้งนั้นที่ยังมีสมาธิมีสติดีอยู่แต่จิตมันก็แสดงภัสใจรักของมันแต่หเหตุร่วมันไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจของของเราเนี่ยมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎของภายใต้ลักเหมือนกันญาณหรือปัญญาญาณก็เข้าไปเห็นแล้วเนี่ยในตัวจิตเองก็ไม่ใช่ของเรา มันเป็นอยู่ของมันมันก็จะค่อยปล่อยวางเหมือนวางกายเหมือนวางเวทนานั่นแหละจะเป็นทางออกจากทุกข์เหมือนกันละเอียดเข้าไปอารมณ์ต่างๆของจิตมันก็ละเอียดขึ้นแล้วก็เห็นเร็วบางคนก็บอกนี๊ทําไมเดี๋ยวนี่เหมือนมีกิเลส มากเล็กๆน้อยก็เห็นแล้วอ่เนี่ยมันละเอียดแล้วแต่ก่อนมันหยาบกิเจะหย า, ย า, ย า, ยาบผิดบังไว้ไม่เห็นกิเลสละเอียดคราวนี้เห็นกิเลสละเอียดแล้วทีนี้นช้อนตัวเองแล้วก่็ทิฏบุญเองเลยนะที่บุญ น, นะแล้วก็พอแค่นี้นะ มันมีมจดหมายของโยมแอดเขาพูดถึงชาววัดอยู่บ้า ง, าง น, นเขาอยากจะคุณวิโรดเขามาขอสร้างกุฏิเขาก็เลยกูจะยิงคุยกันไว้แล้วละเขาคงอยากจะให้แน่ใจอะไรอย่างนั้นเขาพูดถึงชาววัดอยู่บอกว่ากูไม้เาา ยังเป็นสถานที่ที่สัตยะดีกว่าหลายๆแห่งที่โยมได้ไปพบมาเพราะมีคูบาอาจานที่พร้อมมีน้ำป่าและบรรยากาศอื่นๆรวมทั้งชาววัดที่ดีมีชาววัดที่ดีเลยนะที่ต่างก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนากันอย่างจริงจังอันนี้ไม่แน่ใจนะเนี่ยเขาอาจจะเห็นกุฏิติดเงียบ<ม> อ, อาจจะเพราะเขานึกว่าภาวนาอยู่ข้างในก็ได้ เขาก็เห็นว่าไปขุดไหนก็เงียบนะหลังจากฉันเสร็จแล้วอผ่านไปกุดนี้ก็เงียบขุดนี้ก็เงียบก็เลยก็เลยว่ า, า, าว่าชาววัดที่ดีต่างก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนากันอย่างจริงจังเหมือนจริงจังคืออยู่ในกุฏิเงียบนะไม่มีเสียงเลยเอาจจะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้อแล้วก็จำอย่างจริงจังตามกําลังของแต่ละคน เห็นแล้วน่าชื่นชมทําให้เกิดศรัทธาและอยากปฏิบัติตามไปด้วยสรุปแล้วทุกๆส่วนในภูไม้ฮาจึงล้วนเอือ้ตอต่อการปฏิบัติภาวนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมะจริงๆอเขาก็เลยมีศรัทธาอยากจะสร้างกุฏิแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะไปสร้างที่แถวๆแถวๆไหนอ่ะแถวๆระหว่าง ระหว่างเยี้ยงเย้งกุดไม้ชีบนไหลมีพาราหินแยกออกจากกันไอตรงหน้าผาเนี่ยและอยู่กลางกลางระหว่างเสนาสนะป่าที่ได้จัดสร้างไว้แล้วที่สำคัญคือไม่ต้องตัดต้นไม้นอกจากนี้หากมีเรือรับรองอยู่ใกล้เสนาสนาป่าก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระของนักปฏิบัติที่ชอบมาวิเยก บางแถบนั้นหรือแม้จะใช้เป็นเรือนปฏิบัติธรรมก็ยิ่งสะดวกขึ้นเพราะสงบส ง, บสงดัดวิเร่งผ่านกายจากผู้คนพอสมควรสิ่งแวดล้อมเ อ, อมื้ออำนวยต่อการปฏริบัติภาวนามากค่ะแล้วก็เสนอวิธีแก้แก้เรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำในในในกุฏในกุฏอาตาหลายคนนะพูดแล้วล่ะทีนี้ก็มันยังหาช่างไม่ได้ช่างมาก็ยังหาโอกาสไม่ได้ไอยากแบบ ทำห้องน้ํามีข้อเสนอว่าให้แต่ประตูห้องน้ำเน่ยควรจะอยู่ทางโน้อนออกทางโน้นได้อะไรอย่างเงี้ยที่เข้าห้องน้ําก็ไม่ต้องมารบกวนกันไม่รบกวนคนข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เป็นประตูห้องน้ำต่างหากทะลุฝาออกไปดิเ น, นก็ย้ายห้องน้ําเลยให้กุฏิมันกว้างขึน้นก็เป็นข้อเสนอก็ ไว้ช่างเขาเรียบร้อยก็จะไปดูจะปรับปุงเหือกัน